ตอนนี้ก็กลับมาเป็นภาษาไทยเขาส่วนใหญ่ต่างชาติเขาก็จะสนใจเรื่องการภาวนาเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องการเจริญวิปัสสนาเพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้ขั้นตอนของสมาธิกับวิปัสสนาว่าเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรเพราะว่าเวลาอ่านมันไม่มีบอกอรายละเอียดระยะเวลา ที่แบ่งกันระหว่างสมาธิกับวิปัสสนาความจริงสมาธินี้เป็นการสร้างฐานกำลังของจิตใจก่อนที่จิตใจจะไปสู้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้การการปฏิบัติธรรมหรือการการฝึกสมาธิการฝึกภาวนานี้เพื่อไปต่อสู้กับข้าศึกของเราคือกิเลสตัณหา ที่มันคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเรานี่ตอนที่เราเริ่มตอนนี้ใจเรายังอ่อนแอใจเราสู้กิเลส ต, ตันหาไม่ได้กิเลสอยากได้อะไรก็ต้องทําตามที่มันอยากได้กิเลสมันอยากจะโกรธก็โกรธตามมันดังนั้นเราต้องมาสร้างกําลังก่อนการสร้างกําลังก็คือการฝึกสมาธิ เวลาเรานั่งสมาธินี่เราจะฝืนเราจะต่อสู้กับกําลังของกิเลสนั่นเองกิเลสมันจะคอยดันให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปทําอะไรต่างๆไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นความสุขจริงเป็นความสุขความที่เราหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มวันพอเราต้องหยุดไอความอยากวันนี้ก่อนให้ได้ หยุดความอยากที่จะออกไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั้นคนนี้จากสิ่ง น, นั่งสิ่ง น, นี้ด้วยการมาหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิก็เพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยกำลังของสติถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้ ถ้าเราอยากจะหยุดความคิดหยุดความอยากเราต้องฝึกสติสร้างสติกันขึ้นมาก่อนสร้างสติเพื่อให้มาทําใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วทีนี้เรามีกําลังละเราสามารถหยุดความอยากได้ละหยุดกิลเลสได้ละเวลามันอยากจะไปเที่ยวเราก็สู้กับมันได้มานั่งสมาธิแทนได้เวลาอยากจะไปทําอะไรก็มานั่งสมาธิได้ เราก็จะสู้กับมันได้แต่เราการที่เราสู้กับมันได้นี้ก็ยังไม่ได้หมายความว่าเรายังทำลายมันได้หรือเปล่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสอันนี้เราต้องมาปฏิบัติขั้นที่สองหลังจากที่เราสามารถปฏิบัติขั้นที่หนึ่งได้แล้วคือขั้นสมาธิ สามารถหยุดกิเลสหยุดความอยากได้ตามทุกเวลาที่เราต้องการเวลามันอยากจะทำอะไรเราบอกไม่ทำถ้ามันจะทำเราก็ไปนั่งสมาธิแทนอย่างนี้ก่อนพอเรารู้ว่าเราสู้กับมันได้แล้วขั้นที่สองเราก็มาศึกษากิเลสตัวต่างๆว่ามีกิเลสชนิดไหนบ้างที่เราต้องมาหยุดกิเลสนี้มันจะชอบไปเกาะตาม ร่างกายตามเวทนาตามอารมณ์ต่างๆอันพวกนี้เราต้องมาศึกษาว่ามันเป็นกิเลสร่างกายของเราทําไมเราต้องไปยึดไปติดมันทําไมยังต้องไปทุกข์กับมันที่เราทุกข์กับมันก็เพราะว่าเรายังมีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเออันนี้เป็นกิเลสที่เราจะต้องมาสู้กันเออ ต้องมาหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายให้ได้อันนี้เราจะทำได้ต่อเมื่อเรามีกำลังเราได้ผ่านสมาธิแล้วถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเราได้จบม .6 แล้วเราต้องเรียนจบม .6 ก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนปริญญาได้ก่อนที่เราจะไปสอบ Ent นทรานเข้ามาหาลาัยได้เราต้องผ่านม .6 ก่อน การที่เราจะเข้าสู่ระดับวิปัสสนาปัญญาได้เราต้องผ่านสมาธิก่อนต้องได้ฌานสี่เป็นอย่างน้อยได้อุเบกขาได้เอกขคตารมจิตรวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้ตอนนั้นหยุดกิเลสตัณหาได้เต็มที่เพียงแต่ว่ายังไม่ตายท่านนั้นหยุดแบบไม่ตายเพราะว่าสติไม่ได้ ใบถอนรากโคนของกิเลสตัณหาผู้ที่มาถอนรากโคนของกิเลสตัณหาก็คือปัญญาที่ยังมาค้นว่าทำไมมันถึงต้องไปยึดติดกับร่างกายทำไมต้องไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันดีที่ตรงไหนที่ไปยึดกับร่างกายมันดีที่ตรงไหนที่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันทำให้เราทุกข์เนี่ย พอมันแก่เราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราอยากไม่ให้แก่พอมันเจ็บเราก็ทุกข์ขึ้นมาพอมันจะตายเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทนีนี่คือตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้เราคืออะไรก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองเราก็ต้องมาศึกษาวิปัสสนาจะมาศึกษามาสอนใจว่าทำไมเราต้องอต้องหยุดความอยากเหล่านี้ เพราะความอยากเหล่านี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายร่างกายมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรชีวเราไม่ไม่อยากไม่ดีกว่าเลยปล่อยเฉยๆ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็รับรู้ไปตามความเป็นจริงของมันอย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วจะไม่ทุกข์ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์อยู่ที่กิเลสคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายที่เราต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดมันเนี่ยเนี่ยคือวิปัสสนามาศึกษามาค้นหาความความจริงว่า ไอ้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากความไม่เข้าใจความเข้าใจผิดนะความเข้าใจไปเข้าใจว่าร่างกายเป็นเราหน่อยความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเรียกว่าจิตใจผู้มีความรู้สึกนี่คือจิตใจผู้มีความคิดนี่คือจิตใจผู้ที่มีความรู้ เรื่องั้นเรื่อง น, น, องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นจิตใจไม่ได้เป็นร่างกายจิตใจมาเกาะมาใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เท่านั้นเองเนี่ยอันนี้เราไม่รู้กันอันนี้พระพุทธเจ้ามาสอนให้พวกเราให้รู้ว่าเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดนถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเราเป็นคนขับรถเนี่ยรถนี้ไม่ใช่เราใช่ไหม แต่เราเป็นคนสั่งให้รถไปไหนมาไหนได้พอเรามีกุญแจรถเราเปิดประตูรถสตาร์ทรถเราก็สั่งให้มันเดินทางไปไหนมาไหนได้เราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นรถอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราพอมาได้ร่างกายพอมาสามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้เราก็เลยไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นร่างกายไป พอเราเป็นร่างกายเราก็อยากให้มันเป็นไปนปญญานๆไม่อยากให้มันตายเลยเพราะเราคิดว่าเราจะตายไปกับมันอันนี้เราก็ไม่รู้อีกเราไม่รู้ว่าเรานี้เป็นธรรมชาติที่ไม่ตายอันนี้พระพุทธเจ้าต้องมาสอนเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีวันแยกตัวเราออกจากร่างกายได้เราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็จะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วเราก็จะมาทุกตอนที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายแต่พอเราได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นดินน้ำลมไฟที่พ่อแม่สร้างมาให้เราผลิตมาให้เราพ่อแม่เป็นเหมือนโรงงานผลิตรถยนต์เราเป็นเหมือนคนมาซื้อรถยนต์จากพ่อแม่ มารับรถยนต์จากพ่อแม่จากโรงงานพอโรงงานเขาผลิตรถยนต์เสร็จเราก็ขึ้นไปขับรถเราก็เลยอยู่กับรถเป็นฝาแฝดไปกับรถเลยคิดว่าเราเป็นรถไปเพราะว่าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาให้เราเห็นว่าเราเป็นใครเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นรถยนต์ไปเนี่ยร่างกายก็เปนเหมือนรถยนต์พอใจเรามาได้ มาได้ครอบครองร่างกายปั๊บก็ไปคิดว่าเป็นร่างกายทันทีพคิดว่าเป็นร่างกายก็ทำไปโดยธรรมชาติไม่มีใครอยากตายกันไม่มีใครอยากจะเสียอะไรกันมันก็เลยทาให้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอมาศึกษาดูความจริงของร่างกายเห็นคนนั้นแก่เห็นคนนั้นเจ็บเห็นคนนั้นตายต่อไปร่างกายเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน เราจะทำไงให้เราไม่ทุกข์กับร่างกายก็ต้องมองว่ามันไม่ใช่เป็นร่างกายของเราพออะไรไม่ได้เป็นของเราเราจะไม่ทุกข์ทันทีพออะไรมาเป็นของเรามันทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกข์เพราะความอยากพออะไรเป็นของเราเราอยากให้มันดีอยากให้เราอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่เวลาเป็นของคนอื่นนี่มันจะอยู่หรือไม่อยู่จะดีไม่ดีเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอ เราเราต้องมาสอนใจว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเหมือนของคนอื่นร่างกายคนอื่นเราไม่เดือดร้อนฉันใดเราก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับร่างกายของเรามันเหมือนกันมันทำมาจากโรงงานเดียวกันรถรุ่นเดียวกันออกมาจากโรงงานเดียวกันใช้ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องพังเหมือนกันทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถเขาหรือรถเรา แต่พอเรามามองด้วยความจริงเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเราอแล้วมันจะต้องแก่เจ็บตาย nung. เราก็ต้องปล่อยเท่านั้นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องปล่อยความอยากหยุดความอยากละความอยากอย่าไปอยากให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตาย นี่คือปัญญาที่จะมาสอนให้เรารู้ว่าตัวที่มาทำให้เรามาทุกขกับร่างกายคืออะไรก็คือความอยากนี่เองความอยากที่เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็ต้องมาแก้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาจริงๆเราก็เห็นเนี่ยร่างกายมันมาจากไข่เนี่ยมันมาจากพ่อจากแม่ ก่อนที่จะมีพ่อมีแม่มาเจอกันนี่เราอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่ไหนส่วนไหนของแม่อยู่ที่ส่วนไหนของพ่อไม่มีหรอกเรากำลังมีร่างกายอยู่เราก็ใช้ร่างกายเก่าของเราไปพอ ร, ร่างกายเก่ามันตายไปเราไม่มีร่างกายก็เหมือนคนที่รถไม่มีรถเคยขับรถแล้วไม่มีรถพอไม่มีรถก็ต้องไปหาซื้อรถใหม่ก็ไปตามโรงงานไปตามที่เขาขายหรือผลิตรถเนี่ย พอเห็นเขากําลังผลิตรถยี่ห้อนี้ก็ไปจองนะอันนี้ก็เหมือนกันพอเราไม่มีร่างกายเราก็เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายะจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายตอนที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจพอเวลาร่างกายตายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณออกจากร่างไปเห็นไหมออกจากร่างไปไหนก็ไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนกคนที่รถพังแล้ว ลดความลดพังซ่อมไม่ได้ทําใช้ไม่ได้แล้วจะทํำไงกับลถก็ทิ้งมันไปอไปขายเสียงกงไปอแล้วก็ไปหาซื้อรถคันใหม่เอนี่ก็เหมือนกันเราไม่มีร่างกายเราก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่กันะก็ไปดูว่าพ่อแม่เราแต่งงานกันหรือยังเอแต่งงานกันแล้วเขาร่วมหลับนอนกันหรือยังเอพอเขาร่วมหลับนอนแล้วทีนี้เขาเริ่มสร้างร่างกายขึ้นมาเนี่ย ร่างกายนี้ไม่มีเราอยู่ในในส่วนไหนเลยลองค้นหาดูสามสิบสองอาการนี้มีส่วนไหนเป็นเรามันไม่มีหรอกถ้าเป็นเราเวลาตัดผมไปเราก็ต้องหายไปส่วนหนึ่งแล้วนีถ้าตัดตัดเล็บตัดอะไรฟันไปเราหายไปกับมันแว่าไม่หายแล้วเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมผู้รู้ผู้คิดผู้รู้สึกก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่รู้สึกหายไปไหนเลยไม่มีส่วนไหนหายไปเลย ลองเปรียบเทียบให้ฟังต่อไปเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจคนอื่นมาใสา่มันก็ยังเป็นเราอยู่นะฮะไม่ได้ไอคนเจ้าของหัวใจมันไม่ได้มาด้วยหรอกใช่ไหม<อ>ถ้ามันถ้าถ้าถ้าเราเป็นหัวใจอ่าง น, นเวลาเราเราเอาหัวใจของเราไปใส่ร่างกายคนอื่นเราก็ต้องไปอยู่ในร่างกายของคนอื่น น, นั่นเองมันไม่อยู่หรอกมันไม่มีหัวใจมันก็เป็นเพียงหัวใจปอดก็เป็นเพียงปอด สมองก็เป็นเพียงสมองเท่านั้นเองมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่เป็นผู้รู้ผู้คิดในสิ่งเหล่านี้เราไปหลงคิดไปเองว่ามันเป็นตัวเราของเรานี่แหละเรียกว่าวิปัสสนามาศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงตอนนี้เรารู้รู้ตามความหลงตามความคิดปรุงแต่งของเราเองไปหลงคิดว่ามันเป็นเรา ยกตัวอย่างให้เคยมีปัญหามีคดีใช่ไหมเวลาที่เขาไปคลอดที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็ไปสับลูกกันเนี่ยพอดีพยาบาลเสลอสลับป้ายเอาเด็กคนนี้มาเป็นลูกของอีกคนหนึ่งเอาลูกอีกคนหนึ่งมาเป็นอีกของอีกคนหนึ่งแล้วเขาพ่อแม่ก็แม่ก็ไม่รู้ออกจากโรงพยาบาลเขาก็เอาลูกผิดคนไปให้ แม่ก็คิดว่าเป็นลูกของตัวเองก็เลี้ยงอย่างดีรับมันเหมือนกับลูกของตัวเองเลยแล้วพอมันโตขึ้นมาหน้าตาไม่เหมือนกันกนะ็เลยสงสัยก็เลยให้ลองไปตรวจเลือตดตรวจอะไรเข้เามาอ้าวที่หายไม่ใช่ลูกของเราเนี่ยวะ่ะแล้วเจ้าก็เหมือนกันเขาเลยมาจะเอ๋กันอา้าวนี่ลูกของเธออยู่กับฉันนะลูกของฉันอยู่กับเธอเอามาหน้ากันไหมไม่ยอมแ่ากันแนละ้เพราะมันติดไอคนนี้แล้วเนี่ย รักมันเหมือนลูกวะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเป็นร่างกายของใครมันอยู่ที่เราไปคิดว่ามันเป็นของเราหรือเปล่าทั้งนี้พอเวลาเราไปคิดของเราแล้วมันหัวเด็ดตีนขาดมันก็ไม่ยอมให้ใครแล้ ว, ลวถึงแม้เขาจะเอาลูกแท้ๆมาแรกเราก็ไม่เอานะไอ้ลูกแท้ๆมันก็ไม่อยากจะมาอยู่กับเราเองแล้วเพราะมันไม่ได้คิดว่าเราเป็นพ่อแม่มันนั้นเนี่ยนี่คือความหลง เนี่ยเรามาหลงคิดว้ร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ลืมไปว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเพราะเราไม่เคยไม่ยอมคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันวันวันหนึ่งคิดแต่ว่ากูจะทําอะไรดีหาความสุขจากอะไรดีเท่านั้นเองไม่เคยคิดว่ากูจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลยพอมันเจอความเจ็บเข้าก็ตกใจเจอความแก่เข้าก็ตกใจ เจอความตายก็ตกใจกัน <Yeah. S 1> วราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นี้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามาศึกษามามาดูความจริงว่าต่อไปร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะได้เริ่มมาหาวิธีรับกับเหตุการณ์นี้ทำไงดีทำไ ง, ำงเวลามันแก่ทำไงให้เราไม่ทุกข์กับมันเวลามันเจ็บทำอย่างไรไม่ทุกข์กับมันเวลามันตายทำไงให้ไม่ไม่ทุกข์กับมัน ก็ต้องมาฝึกจิตเนี่ยมาหยุดความอยากนี้เองหยุดความอยากหยุดหยุดความหลงมาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นคนรับใช้เราเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่เดี๋ยวใช้ไปสักพักมันก็ต้องพังเราเปลี่ยนรถมากี่คันแล้วเนี่ยตั้งแต่โตขึ้นมาเนี่ยมีเปลี่ยนรถกันไปกี่คันแล้วเพราะคันเก่ามันใช้ไม่ได้ล หรือมันใช้ไม่ดีแล้วเราก็เปลี่ยนคันใหม่ไปร่างกายก็เหมือนกันเราเปลี่ยนมาไม่รู้กี่แสนล่างแนละรู้เปล่าเราจำไม่ได้เราไม่เคยรู้เลยเวลาที่เราตายไปนี้เป็นการเปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเองเวลามาเกิดนี่เราไม่รู้ว่าเรากำลังได้ร่างกายอันใหม่ได้รถคันใหม่เวลาตายนี้เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายทิ้งร่างกายอันเก่าแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ พอตื่นพอออกมาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาเวลาตายก็เหมือนนอนหลับะทิ้งร่างกายอันเก่าไปช่วงนั้นใจก็อยู่ในโลกของความฝันไปฝันดีฝันร้ายตามกําลังของบุญของบาปที่ทำเอาไว้จนกว่าจะหมดกําลังแล้วแล้วก็ไปรับร่างกายอันใหม่แล้วก็มาใช้ร่างกายอันใหม่ทําอะไรต่างๆตามที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ ไปจนถึงวันแก่วันเจ็บวันตายก็ทิ้งมันใหม่แล้วก็ไปหาอันใหม่ต่อช่วงที่ต้องทิ้งเนะี่ยช่วงนั้นมันทุกขนะ์เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่มันทุกข์ทรมานมากนี่คือปัญหาของการที่มาเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายต้องมาห่วงมากังวลกับร่างกายอยู่แทบทุกวันวันนี้จะมีกินหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีกินหรือเปล่า นี่คือเดิมของความหลงมันหลอกให้เรามาหาความทุกข์กันโดยเอาความสุขเล็กๆกน้อยๆมาเป็นเหยื่อล่ออยู่ที่ที่ข้างหน้าเหมือนกับเวลาเขาเอาเหยื่อไปติดอยู่ปลายเบ็ดนี่เวลาคนตกปลานี่เขาจะเอาปลามาติดเบ็ดนี่มันจะต้องมีเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าเอาเบ็ดเฉยๆไปไปแขวนไว้ปลามันไม่กัดหรอกปลามันเห็นเบ็ดมันก็ไม่เอาแล้ว แต่พอเอาเหยื่อไปปิดปิดเบ็ดหน่อยไปบังเบ็ดหน่อยมันคิดว่าเป็นอาหารมันก็ฮุบเลยฮะฮุบมันก็เลยถูกเบ็ดเกี่ยวะอันนี้ก็เหมือนกันความหลงมันหลอกให้เรามาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่เรามาเกิดกันเวลามาเกิดเราก็หาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขกันแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงอะ เ, เป็นเป็นเหยื่อชิ้นเล็กๆเท่านั้นเอง ที่มีตะขอเบ็ดรอกเกี่ยวปากเราอยู่เนี่ยมันเกี่ยวตอนไหนตอนที่มันเสื่อมเลยตอนที่เงินหมดตอนที่เสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมซัลละเสริมอตอนที่เสื่อมตอนที่ไม่มีรูปเสียงกิริย์ลให้เสพเป็นไงเหงาไหมว้าเหวไหมเวลาต้องอยู่คนเดียวไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังเนี่ยเวลาติดคุกนี่ไงเวลานั้นไม่มีอะไรให้เสพ คนจึงไม่อยากจะติดคุกกันนะไม่ใช่มันจะทรมานนะคนจริงติดคุกดีตายไปทางร่างกายสบายใช่หไหบ้านก็ฟรีอาหารก็ฟรีรอปภก็ยี่บสี่ชั่วโมงปลอดภัยแต่อยู่กันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีราบยศสรรเสริญสุขให้เสพกันนั่นเองนี่คือปัญหาของของพวกเรา ถ้าไม่ได้ไม่ได้เจริญวิปัสนาจะไม่รู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายจะไม่รู้ว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วก็จะทุกข์มากแล้วก็ที่ทุกข์ก็เพราะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองเห็นถ้าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบไม่ทุกข์เราก็ต้องมาหยุดความอยากกัน จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีกำลังหยุดมันต้องมีสมาธิต้องฝึกสมาธิหยุดความอยากแล้วถ้าอยากจะให้มันหยุดอย่างท้าววนก็ต้องมีปัญญามาสอนว่าร่างกายมันไม่ใช่เรานะมันมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอย่าไปยึดไปติดมันตลอดเวลา ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะหยุดความอยากได้ตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องใช้สมาธิหยุดมันก็ได้พอไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ตอนต้นถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิก่อนสร้างสมาธิขึ้นมาเพื่อให้มีกำลังหยุดความอยากให้ได้ก่อนพอมีกำลังหยุดความอยากแล้วก็ใช้ปัญญามาสอน ว่าทาไมเราต้องหยุดความอยากเพราะความอยากมันทำให้เราทุกข์แล้วมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้มันไม่เป็มันเป็นไปไม่ได้อยากให้น่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้นี่คือปัญญาต้องมาหลังจากที่ได้สมาธิแล้วตอนที่เราฝึกสมาธินี่เราไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญา เวลานั่งสมาธิจิตสงบก็อย่าไปพิจารณาให้สงบนานๆยิ่งสงบนานเท่าไหร่ยิ่งมีกําลังมากขึ้นเท่านั้น เ, เหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเวลาจะชาร์จมือถือนี่ถ้าอยากจะให้มันเต็มเร็วๆก็อย่าไปเปิดเครื่องปิดเครื่องอย่าไปใช้งานแล้วมันจะชาร์จได้เยอะได้เร็วได้นานาถ้าเราชาร์จไปใช้ไปมันก็ไม่มีวันเต็ม อันนี้ก็เหมือนกันเวลาสร้างสมาธิสร้างกำลังนี้ไม่ใช่เป็นเวลาเอาไปทำงานนะไม่ใช่เป็นเวลาไปเปิดเครื่องใช้มือถือเวลาชาร์จแบบนี้เรามักจะใช้ตอนที่เราไม่ได้ใช้เครื่องกันปิดเครื่องแล้วชาร์จมันให้เต็มที่จิตก็เหมือนกันเราต้องชาร์จกำลังด้วยสมาธิเวลาเราชาร์จสมาธินี่เราอย่าไปใช้ปัญญาให้จิตสงบนาน เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ยิ่งดีออกมาปั๊บเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่พยายามกลับเข้าไปเรื่อยๆให้มันต่อไปให้มันสงบได้ทั้งวันคือสงบไงได้ทั้งวันคือสงบในขณะที่อยู่ในสมาธินานเท่าไหร่เวลาออกมามันก็จะสงบต่อได้นานเท่านั้นพอมันจะหายพอมันจะไม่สงบเราก็กลับเข้าไปใหม่เ ร, เราจะเข้าสมาธิอยู่เรื่อยเพื่อให้มันสงบอยู่เรื่อย เวลาออกจากสมาธิมามันสงบก็ยังไม่ต้องเข้าพอมันหายสงบก็กลับเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้ไปจนกว่าทุกเวลาที่เราตื่นนี้มันจะมีแต่ความสงบสงบสองแบสงบสงบขณะที่เข้าไปในสมาธิและสงบที่หลังจากออกจากสมาธิมาต้องให้มันสงบได้อย่างต่อเ น, นื่องไปไม่มีขาดตอนพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วทีนี้ เวลาที่เราออกจากทีนี้เราก็จะไปขั้นวิปัสสนาได้แนละ้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาจิตกำลังสงบสบายตอนนั้นแหละเอามาสารเรื่องเรื่องความจริงนี้มันจะมันจะมันจะสนใจมันจะเรียน แต่ถ้าจิตออกมาแล้วไม่สงบมีกิเลสมันกิเลสมันจะดึงไปหาลาภยศสรรเสริญสุขทันทีมันจะไม่ให้มาพิจารณาร่างกายไม่ใหมาพิจารณาอนิจจังทุกขงังอนัตตาไม่ใหมาพิจารณาอาสุภะเพราะมันเป็นของที่กิเลสไม่ชอบนั่นเองแต่เวลาออกจากสมาธิมาถ้าจิตยังสงบอยู่แสดงว่ากิเลสยังไม่โผล่ขึ้นมากิเลสยังไม่มีกาลัง เราก็สามารถเอามาสอนใจบังคับให้มันคิดมาสอนความจริงให้มันคิดความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันไม่สวยไม่งามมันเป็นนัสสุภามันทำมาจากดินน้าลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเราสอนมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ลืมเนี่ยเรียกวิปัสสนาถ้ายังลืมอยู่นี่เรียกว่าสัญญาถ้าไม่ลืมแล้วถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา ปัญญานี้มันจะไม่ลืมแล้วมันจะสามารถหยุดความอยากได้ทุกครั้งที่อยากเกิดเกวดความอยากปั๊บปัญญามันจะมาทันทีอยากได้แฟนอสุภะมันก็มาทันทีอยากอยู่ไปนานๆความตายมันก็มาทันทีอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะมาทันทีอยากไม่แก่ความแก่มันก็จะขึ้นมาทันทีเลย เพื่อมันจะหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายหยุดการมาราคะหยุดความอยากมีแฟนเ น, นี่ยต้องอาศัยปัญญาที่มีอยู่ตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าปัญญาความรู้ที่มีอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นปัญญาความรู้ที่ยังไม่อยู่ตลอดเวลาพอเห็นอะไรสวยๆลืมมาสุภาไปและพอเห็นอะไรหล่อๆอยากได้เข้ามาเป็นแฟนแล้ว แสดงว่าเป็นสัญญาไปแล้วอสุภะหายไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาแต่พออยากได้ใครมาเป็นแฟนปั๊บอสุภะโผล่ขึ้นมาทันทีเนะี่ยถึงนี้เรียกว่าเป็นปัญญาเพราะปัญญามันหยุดความอยากได้แต่ถ้าเป็นสัญญาหยุดไม่ได้รู้รู้ว่าเป็นอสุภะแต่ลืมไปแล้วพอเห็นของสุภะขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาทันที น, นี่คือปัญญา ขั้นที่สองขั้น ต, ต่อจากสมาธิไม่ได้ทําในเาละเดียวกันในช่วงเดียวกันคนที่ฝึกสมาธินี่บางทีฝึกเป็นปีๆนะไม่ใช่ฝึกแค่วันสองวันนกว่าที่จะทําให้จิตรวมเป็นอับ ป, ปนาสมาธิได้เนี่ยมันต้องคอยควบคุมบังคับความคิดตลอดเวลาเลยะต้องบังคับให้มันนั่งบ่อยๆนั่งเรื่อยๆเนี่ย ธรรมดาไมช่ชอบนั่งสมาธิกันหรอกกิเลสมันไม่ยอมให้นั่งกิเลสมันอยากดูนั่นฟังนี่อยากทำนู่นทำนี่นั่นการฝึกสมาธิไม่ใช่ของง่ายๆนอกจากเคยฝึกมาแล้วบางคนนี้โชคดีเคยฝึกมาแล้วพอนั่งสมาธิครั้งแรกห้านาทีสิบนาทีจิตก็สงบเข้าสู่สมาธิได้เลยพอเขาผ่านสมาธิแล้วเขาก็ไปวิปัสสนาได้เลยพอเขาชนานาญทางสมาธิแล้ว แางบางคนนี่มันน้มนุกคุกคานอยู่กับสติน้มนุกคุกคานอยู่กับสมาธิเนี่ยพุโทโธพุโทโธสองขับก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นล้วอย่างนี้อย่างอีกกายพูดง่ายๆปาจิดจะลวนไปดับปนาสมาธิได้เนี่ยมันอีกนานยิ่งทําไม่ได้บวชยิง่งหรือไม่มีเวลามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้ไม่มีทางแล้วพอไปทํางานมันก็ต้องใช้ความคิดแล้ะมันไม่ได้หยุดอย่าง ใช้ความคิดใช้กิเลสนะทำ ง, งานก็ต้องใช้กิเลสอยากให้มันขายดนะีอยากให้มีรายได้มากๆก็ต้องวางแผนวางยุทธการแล้วว่าจะทำยังไงมันก็จะคิดปรุงแต่งไปบางทีออกจากเลิกงานแล้วยังกลับเอาไปคิดต่อที่บ้านนะแล้วมันจะไปภาวนานั่งสมาธิได้ที่ไหนไม่ไม่มีเวลานั่งได้หรอกมันต้องไม่มีงานทำแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่ ไม่มีเรื่องอะไรให้คิดเนี่ยขนาดไม่มีเรื่องให้คิดมันกคิดร้อยแปดพันประการของมันเน่ยคิดได้ทุกเรื่องถ้าไม่มีสติมันไม่มีวันที่จะหยุดคิดได้นี่แหละนี่คือช่วงของการปฏิบัติขั้นต้นฝึกสติให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ได้สมาธินั่งไงไงก็ไม่มีวันสงบนถ้าได้สติแล้วก็จะนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีจิตก็สงบได้ สงบแล้วก็ต้องใช้สติคอยประครับประคองให้มันสงบไปนานๆแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ต้องคอยควบคุมความคิดด้วยสติต่อไปไม่ให้มันคิดถ้ามันคิดมันเริ่มฟุ้งก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่หรือหรือแสดงว่าเราสติเราเผอลอละมันถึงฟุ้งแต่ถ้าพอเราไปนั่งนี้ในท่านั่งนี้มันจะ มันจะรู้ตัวว่าต้องเอาสติมาแล้วต้องดูลมล้ต้องพุทโทแล้วแต่เวลาออกจากสมาธิมันมันอาจจะสบายสบายยังไม่ฟุง้งมันก็เลยไม่คุมพอไม่คุมเดี๋ยวเผลอมันเริ่มคิดฟุ้งขึ้นมานะก็รู้แล้วว่าเอาไม่ได้การแล้วต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก่อนเนีย่ยต้องฝึกสมาธิให้ชํานาญให้เข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการ เวลาใดที่จิตฟุ้งปับต้องเข้าไปในสมาธิให้ได้ทันทีพอหายฟุ้งจิตสงบนิ่งเย็นสบายก็ค่อยออกมาถ้ามีธุระมีอะไรต้องทำก็ทำไปถ้าไม่มีอะไรทำถ้ายังไม่มั่นใจว่าสติเรายังไม่แข็งแรงพอก็ฝึกสติต่อไปก่อนฝึกไปจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเราไม่เผลอแล้วอันนี้ถึงจะออกไปทางปัญญาได้ต่อไปเวลาออกจากสมาธิ อ น, นี่คือการเรียนการฟังนี่มันง่ายมันคิดว่าโอ้ยแป๊บเดียวก็ได้นฝึกสติพุทโธสองคำก็ได้นั่งสมาธิห้านาทีก็ได้มีปัสฉนาคิดแป๊บเดียวก็ได้เห็นชัดแล้วตายลักใครๆก็เห็นหมดแะอันนี้จังไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นออเป็นอนัตตาทั้งนั้นแต่การปฏิบัติจริงๆมันปล่อยหรือเปล่ามันปล่อยได้หรือเปล่า ปล่อยร่างกายได้หรือเปล่าตัดความอยากอในสิ่งต่างๆได้หรือเปล่าอันนี้แหละมันความจริงกับความคิดมันไม่เหมือนกันเวลาอ่านหนังสือฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วรู้สึกง่ายแต่เวลาลองไปทําดูเลยลองเพียงแต่สี่วันที่จะหยุดเนี่ยอยากไปเที่ยวได้ไหมไปอยู่วัดหรืออยู่บ้านคนเดียวได้ไหมไม่ต้องไป สูงสิงใครไม่ต้องอะไรกับใครอยู่เฉยๆให้จิตมันสงบไม่มสู้กับความอยากได้หรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราเวลาอ่านนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับเวลาที่เราอ่านวิธีว่ายน้ําโอ้ยว่ายน้ําง่ายลองลองน้ําดูเสร็จแล้วลองไปไว่ายดูว่ายกิโลหนึ่งนี้เป็นยังไงอันนี้มัน เวลาคิดมันง่ายแต่เวลาทำจริงๆนี่มันยากถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่รู้ว่ า, าทำได้หรือทำไม่ได้บางคนมักจะชอบว่าโอ้จะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้แต่ตอนนี้ยังไม่ทำ เ, เหมือนคนที่เลิกเล่าเนี่ยว่าโอจะเลิกกินเล่าเมื่อไหร่ก็เลิกได้แต่ตอนนี้ยังไม่เลิกขอกินก่อน อันนี้มันหลอกตัวเองเลยฉะนั้นอยากจะรู้ทำได้ไม่ได้ก็ลองมาทำดูสิลองมาฝึกดูลองมาฝึกสติลองมานั่งสมาธิดูว่าจิตมันรวมได้หรือเปล่าเราดูลองมาพิจารณาทางปัญญาดูว่ปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าปล่อยวางความแก่ปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายได้หรือเปล่าถ้าเพียงแต่คิดนี่มันก็วาง่าย แต่เวลาถึงเวลาจริงๆเวลาเจอความเจ็บจริงๆนี้ใจสงบหรือใจวุ่นวายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งใจเป็นยังไงใจไม่ได้เป็นร่างกายยไม่ต้องตื่นเต้นไปกับร่างกายทําไมถ้าตื่นเต้นก็แสดงว่าหลงนี่หลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายแนละ้วใช่ไหมร่างกายคนอื่นเป็นมะเร็งเนี่ยตอนนี้มีคนไปโรงพยาบาลเป็นมะเร็งน้องเยอะแยะเราม่เห็นวุ่นวายไปกับเขา เพราเราไม่ไปหลงคิดว่าเขาเป็นเราเลยแต่ร่างกายนี้เราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราพอไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งนี้โอกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วนี่ยดูสิว่าจะเฉยได้หรือเปล่าก่อนเป็นและตอนที่เป็นนี่ใจเหมือนเดิมได้เปล่าตอนที่ยังไม่เป็นใจสบายพอเป็นได้ทราบจากหมอว่าเป็นมะเร็งก็ยังสบายเหมือนเดิมได้หรือเปล่า ถ้าสบายได้เหมือนเดิมก็แสดงว่าทำได้ทำใจได้ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายถ้ายังเดือดร้อนอยู่ก็แสดงว่ายังเป็นแค่ความคิดยังไม่ได้เป็นความจริงยังทำไม่ได้ถ้าไม่ลองทำจะไม่รู้ต้องลองทำดูถึงจะรู้อาหารถ้าไม่ชิมไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยแต่เวลาทำที่ว่าอร่อยอ่านดูสูตรก็ว่าให้ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ทาแล้ว แต่พอเราลองชิมขึ้นมาอาจจะกินไม่ลงก็ได้ต้องมาปรับปรุงแก้ไขถึงจะรู้ว่าอันนั้นมากเกินไปอั น, นี่น้อยเกินไปกว่าจะได้รสชาติแซบขึ้นมานี่ก็ต้องลองหลายครั้งก่อนอนี่คือความคิดกับการกระทามันต่างกันความคิดนี่มันหลอกเราได้คิดว่าทำได้แต่ถ้ายังไม่ได้ทำนี่อย่าเพิ่งไป อ, อย่าไปเชื่อ ต้องไปทำดูก่อนดูว่าทาแล้วคิดแล้วว่าทำได้แล้วลองไปทำดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าออถ้าทำได้จริงแล้วก็สบายออมีความอุ่นใจแล้วว่าเ อ, อเราทำได้แล้วเราไม่กลัวความแก่แล้วเราไม่กลัวความเจ็บเราไม่กลัวความตายแล้ว อ, อ, อย่างนี้มันถึงจะเรียกว่าปฏิบัตินะถึงนี้ว่าเป็นการทำได้ออทำใจได้ นี่คือเรื่องของสมาธิกับวิปัสนาที่พวกเรามักจะไม่เข้าใจขั้นตอนของการปฏิบัติกันเราคิดว่าไปพร้อมๆกันพอจิตสงบปั๊บก็ยกจิตขึ้นมาพิจารณาเลยพิจารณาร่างกายพิจารณาอะไรไปกลายไปฟุ้งซ่านไปเลยอุตสาหหยุดความคิดแทบเป็นแทบตายพอมันหยุดคิดปั๊บก็ดึงมันมาคิดทันทีงั้นไปหยุดบันทำไมก็คิดแล้วตัแต่ต้นไม่ดีกว่าเลย ใคิดตั้งแต่ยังไม่เข้าสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ขั้นรู้ตอนเพราะมันเหมือนกับคนเรียนทำกับข้าวอ่านในสูตรอานในหนังสือวิธีทำกับข้าวแต่ถ้ายังไม่ลองทำดูไม่รู้ว่ามันกับ ข, ข้าวที่เราจะทำนี่มันจะออกมาในรูปแบบไหนมันจะกินได้แล้วกินไม่ได้ก็ไม่รู้ต้องลองทำดู นี่คือเรื่องของการปฏิบัติสมาธิกับปัญญามันแบ่งเป็นสองโซนเป็นสองภาคมีเวลาก้านกันค่อนข้างมากสำหรับคนที่ยังไม่มีสมาธิอย่คนที่มีสมาธิแล้วนี่ก็ไปขั้นปัญญาได้เลย คนที่จบหกแล้วก็ไปเอนทานได้เลยคนที่ยังไม่จบหกอยู่ปอลึง ก, ก็เรียนไปก่อนเรียนปอลึงก็สติก่อนแล้วขอขึ้นมหนึ่งก็เป็นสมาธิพอพอพ้นมหกแล้วนะถึงยาแสดงว่ามีสติสมบูรณ์แล้วมีสมาธิสมบูรณ์แล้วทีนี้ก็ไปเรียนปัญญาได้ไปเรียนปริญญาเข้ามาหาหลัยได้ต่อไปเอาแล้วนะก็คิดว่า โอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอนยะท้าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปปับปฏิอิชิตังปะทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิชฌตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะาเมณิโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิทีขายุโกภวะ อาพิวาธานาสีลิตะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธมาวทานติอายุวันโอสุขังพาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาสามร้อยสิบสองยู หนึ่งร้อยแปดสิบสองวิทยุออนไลน์สิบเจ็ดผู้รับฟังข้างบนนี้สามสิบสี่คนรวมทั้งหมดห้าร อ, อยสี่สิบาอาจจะเป็นเพราะช่วงแรกพูดเป็นภาษาอังกฤษมันคนเลยหนีกัน อ, อ, อยากจะถามคำถามถามได้เลยพูดใกล้ๆไมโครโฟน น, นะกรับมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะ หนูมีคำถามในเรื่องของการปฏิบัติระยะระยะหลังช่วงนี้ค่ะเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วจิตจดจ่ออยู่กับอะไรแป๊บหนึ่งจิตก็จะหายไปแล้วก็จะกลับมาเหมือนเหมือนมันดับไปแล้วก็มันก็เกิดขึ้นมาใหม่ทีๆซ้ำๆกันหลายๆครั้งติดๆกันค่ะสติมันหายไงสติมันหา ย, ยงั้นก็ ต้องใช้คำบริกรรมก่อนพุทโธพุทโธพุทโธอย่าหยุดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าดูลมแล้วเดี๋ยวบางทีดูลมแล้วมันหายไปถ้าพุทโธนี้มันเราต้องบังคับให้มันพุทโธพุทโธก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกว่ามันหายก็ดึงมันกลับมาใหม่แต่มันหายไปในช่วงเวลาสั้นๆนะคะ ไ, ได้ ก, ก็รู้ว่ามันหายก็ดึงมันกลับมาใหม่ พยายามอย่าให้มันหายให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาให้มันรู้อยู่กับพุทธโธ ร, รู้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกจ้ะค่ะขอบพระคุณจ้ะค่ ะ, ะการปฏิบัติใหม่ๆก็เป็นอย่างเนี้สติมันลม้มลุกคลุกคานเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปก็คอยดึงมันกลับมาเรื่อยๆ คอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยว่าตอนนี้มีสติอยู่กับลมหรือเปล่ามีสติอยู่กับพุโทโธหรือเปล่าอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยแบบไม่มีสติบางทีมันก็หายหรือไม่หายมันก็มีเรื่องแปลกๆโผลมาให้รู้ก็ไม่ดีนะไม่ต้องการรู้อะไรต้องการให้จิตนิ่งให้สงบให้มันว่างบางครั้งบางครั้งก่อนที่มันจะหายมันจะมีสัญญาณ เตือมาก่อนว่ามันมันกำลังจะหายนะพอลองจับสัญญาณตรงนี้ได้อะคะ่ะเราควรที่จะเข้าสติเขาก็กลับมาดูลมแล้วกลับมาพุโทโธแสดงว่ า, ากำลังจะหลับแล้วรี บ, ล, รบลุกขึ้นมานั่งนะคะขอบคุณ่ะคะมิมยาจะถามไหมขอโอกาสหลวงพ่อคะ่ะเมื่อวานได้ได้ยินหลวงพ่อเทศบอกว่าให ให้ฝึกที่บ้านสิบห้าวันแล้วมาฝึกที่ที่ที่วัดสิบห้าวันไม่มี<ะ>้พูดถึงพวกที่เขายัางไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดื่มอยู่ให้แบ่งเวลามาสักครึ่งหนึ่งเที่ยวสักสิบห้าวันมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมสักครึ่งหนึ่งถ้าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไปแต่เที่ยวอย่างเดียวไปกินไปเล่นอย่างเดียว มาแค่เดือนละครั้งหนึ่งเนี่ยพวกนี้ก็มาเดือนละครั้งอยากใช้ก็มาเพิ่มให้เขาเพิ่มตารางเวลาการเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมากโมยมดูว่าถ้าถ้าทำได้ครึ่งครึ่งแบบนั้นแล้เท่ากับได้สละห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะไรแบบนั้นิก็อยากใช้ก็ทำอย่างนั้นถ้าเ็าทำได้ <c oughs> แต่นี่เขาทำได้แค่หนึ่งในสามสิบ วันเดียวในสามเปอร์เซ็นสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ะยมได้ได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าอการจะขึ้นสู่โล ก, กุตระนี้ต้องสละได้ครึ่งหนึ่งต้องสละได้ห้าสิบเปอร์เซนก็คือต้องออกบวชน ะ, ะต้องออกบวชสละครึ่งเนาะคือรัพย์สมบัตินี้ ของภายนอกนี้สละหมดนี่ก็สละครึ่งหนึ่งอีกครึ่งที่ยังไม่ได้สละก็คือกายเวทนาจิตเนี่ยต้องมาสละตอนเป็นนักบวชถึงถึงจะสละได้ต้องสละลาบยศสารดเสริญสุขก่อนอย่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสละออกบวชเนี่ยเป็นการสละครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่สละหมดคนที่ออกบวชจึงไม่ได้เป็นพระอริยะทันทีไง ก็ยังต้องมาสละกายสักกายทิฏฐิก็คือการยึดติดในร่างกายในเวทนาอยู่ยึดติดในจิตอยู่อนีน่ยึดติดในความสวยความงามอยู่อนนัต้องมาต้องใช้ต้องบวชเพราะจะต้องใช้เวลาตลอดเวลาถึงจะตัดกิเลสเหล่านี้ได้ค่ะค่ะทีนี้อีกคำถามหนึ่งคือ โยมเบลจงกรมอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เกิดสัญญาสังขารมันทำงานแข็งแรงมากเลยค่ะมันมันดึงเอาคำพูดของคนอื่นอะไรเก่าๆอะไรแล้วก็มามาลบกวนเดินภาวนายัางไงก็ไม่หายค่ะหพสติเราไม่ดี <c oughs> เราต้องบังคับให้มันพุโทโธพุโทโธตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นบริกรรมอยู่ด้วยค่ะ <c oughs> มันก็ยังแทรกเข้ามายม <c oughs> ก็ไม่ไ <c oughs> เป็นไรถ้ามันแทรกก็อย่าไปสนใจ ให้อยู่กับคำบริกรรมแทนโยมโยมทดลองบอกว่าทําไมไม่ทะลุไปเลยอันนี้มันเป็นปลายจิตอย่างที่หลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าไปติดที่ปลายจิตก็ผิดทันทีอะไรแบบนี้ค่ะโยมก็มาหาที่ต้นจิตมาหะตัวพุทโธอยู่เกาะกับพุทโธไปเดี๋ยวปลายจิตมันก็จะหายไปเองค่ะอย่าไปสนใจอย่าไปอยากให้มันหายเพราะยิ่งอยากมันยิ่งไม่หายตอนนั้นต่อสู้กันยิ่งอยาอย่าไปสู้กับมันอย่าไปสนใจมันดีกว่า อย่าไปสู้มันอย่าไปสนใจมันปล่อยมันมันจะมาก็ปานมาแต่เราอย่าไปสนใจให้เราสนใจอยู่ที่พุโทโธพุโทโธไปถ้าบริกรรมอยู่พุโทโธนั้นเราเราถึงต้นจิตแล้วแล้วก็พยายามอยู่งั้นอย่าให้ตั ว, ต ว, ตวปลาจิตหนึ่งเราไปหามันอย่าไปสนใจมันถ้าเราไม่ไปหามันเดี๋ยวมันก็หายไปขอบคุณค่ะ คำถามจากทางเฟซบุ๊กคุณโซเฟียเวลาที่นั่งภาวนาพุโทโธจนเหมือนจิตวูบเข้าผวังแล้วรู้สึกสงบเบาสบายเมื่อถึงจุดนี้เราต้องทําอย่างไรต่อคะต้องบริกรรมพุโทโธต่อหรือต้องนั่งนิ่งๆเคยเมื่อถึงจุดนี้แล้วบริกรรมพุโทโธต่ อ, ต, อต่อไปความเบาสบายก็จะหายไปคะ่ะก็ไม่ต้องบริกรรม ก็ให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้ว่ากาลังสงบกาลังสบายพยายามรักษามันไว้อย่าให้มันไปคิดปรุงแต่งถ้ามันคิดปรุงแต่งก็ต้องใช้คําบริกรรมพุโทโธใหม่คําถามต่อไปจากคุณจารุวนันแฟนลูกได้เสียชีวิตไปแล้วเกือบเกือบครบปีลูกตั้งใจทําบุญตักบาตและรักษาศีลภาวนามาตลอดเพื่ออุทิศบุญให้แฟนลูก ตั้งแต่เขาจากไปบุญที่ลูกทำจะส่งถึงเขาบ้างไหมคะบุญที่จะส่งให้เขาได้คงจะล่าจากการใส่บาตรการทำทานส่วนการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมของเรานี้มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นกำลังเหมือนกำลังสร้างกาลังตัดเสื้อผ้าอยู่ยังไม่เสร็จคงจะส่งบุญแบบนี้ไปให้เขาไม่ได้ส่งได้ก็คือบุญที่เกิดจากการทาบุญทาทาน เช่นใส่บาทบริจาคเงินให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลให้กับวัดอะไรอย่างนี้บุญนี้เกิดขึ้นทันทีแต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลไหว้พระศดม น, นั่งสมาธินี้มันยังไม่สมบูรณ์มันยังกำลังเป็นอยู่ในขั้นของการสร้างขึ้นมาอยู่ถ้าเป็นบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยแต่ถ้าเป็นการใส่บาทนี้ ถึงแม้จะเป็นบ้านเล็กๆแต่มันเป็นบ้านที่เสร็จสมบูรณ์เราจะนิยมส่งบุญไปด้วยการทำบุญทำทานไม่นิยมส่งบุญไปด้วยการนั่งสมาธิด้วยการไหว้พระสวดมนต์หรือรักษาศีลเพราะมันยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่สำเร็จคำถามต่อไปจากคุณพัสกรมีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิจลมหายใจแผ่วเบามากๆ แขนขาจะแข็งและหงายหลังล้มลงคล้ายพระพุทธรูปล้มเข่าและขาตั้งฉากกับพื้นประมาณห้าถึงสิบวินาทีหลังจากนั้นกล้ามเนื้อก็ผ่อนคลายหายใจเร็วขึ้นกลับมานั่งใหม่ ก็เป็นเหมือนเดิมอีกพยายามเอนตัวไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะก็ไม่ได้จะหงายหลังอย่างเดียวเป็นอยู่ประมาณสองชั่วโมงจึงตัดสินใจนอนหงายขาก็ขัดสมาธิแบบนั้นลมหายใจก็ยังเบาสักพักจึงไปนอนไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรในกรณีแบบนี้ครับก็แสดงว่าเราไม่มีสติที่จะควบคุมใจ พอถ้ามีสติดูลมจริงๆมันจะไม่ขยับขยื่นร่างกายถึงแม้ร่างกายมันจะรู้สึกจะากแข็งชามันก็จะอยู่ในท่าเดิมเนี่ถ้ามันถึงการล้มหายเติงแสดงว่าสติเราไม่ไม่มากพอต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นคำถามที่สองเวลาที่นั่งสมาธิมีครั้งหนึ่งหายใจไม่ออกแต่ไม่อึดอัด ตกใจจึงนอนลงก็หายใจได้เหมือนคนปกติแต่พอลุกขึ้นมานั่งต่อก็หายใจไม่ออกอีกคล้ายมีคนมาอุดจมูกอยู่อยากทราบว่าเกิดจากอะไรและควรทำอย่างไรถึงจะถูกต้องครับไม่ได้เป็นหวัดด้วยครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปสนใจมันให้รู้เฉยๆหรือว่ามันไม่หายใจ เรือหายใจไม่ออกก็ลองดูเฉยๆไปดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถ้าดูลมไม่ได้ก็ลองใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนดูก็ได้คําถามต่อไปจากคุณมีมที่บ้านมีสารพระภูมิเทวดาจะมาอยู่ที่สารพระภูมิเพื่อปกป้องรักษาบ้านเราจริงไหมและต้องตั้งข้าวปลาอาหารเพื่อบูชาจะเป็น สิรพัตตปรามาตใหม่และถ้าไม่ตั้งของบูชาเพียงแต่อุทิศผลบุญจากการทาบุญเดินจงกรมอย่างเดียวจะดีไหมคะมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่าไม่รู้ว่าเทวดามาอยู่จริงหรือไม่จริงถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องไปกังวลดีกว่าข้าออกไปตั้งไว้ถ้าอยากจะรู้ว่าเทวดากินหรือเปล่าก็ก่อนเอาไปตั้งนองช่าง ลองชั่งน้ําหนักดูว่ามันกี่กิัมกี่กิโลแล้วเวลาอาตั้งเสร็จแล้วเวลาคิดว่าเทวดาเอาไปกินแล้วเราก็ลองเอามาชั่งน้ําหนักใหม่ดูดูว่ามันลดไปกี่กิโลกี่กรัมกถ้ามันเท่าเดิมก็แสดงว่าไม่มีใครมากินถ้าไม่มีใครมากินไปตั้งไว้ทําไมเสียของเปล่ า, าเสียทําอะไรมันต้องมีเหตุมีผลมีการพิสูจน์ได้ ถ้าไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลพิสูจน์ไม่ได้หรือหรือเราพิสูจน์ไม่ได้แต่มีคนอื่นเขาพิสูจน์ได้ว่าเป็นอันนี้ก็แต่นี่ไม่มีอะไรที่จะน่าจะทำให้เชื่อว่าเป็นไปตามความเป็นจริงก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้บ้านอื่นเขาไม่มีบ้านสารพระภูมิเทวดาอยู่ทำไมเขาอยู่กันได้ ทำไมเราต้องมาสร้างสารแล้วสารนิดเดียวเทวดามันจะเข้าไปอยู่ได้ไงเทวดาอยู่วิมานใหญ่กว่าบ้านของเราอีก mm. เวลาสร้างถ้าอยากอยากจะสร้างที่อยู่ให้เทวดามันต้องสร้างที่เลิ่นกว่าบ้านของมนุษย์เนี่ยเพราะเทวดานี่เขาสูงกว่ามนุษย์เนี่ยเขาใช้ของดีกว่ามนุษย์เราไปสร้างกระตอบเล็กๆแล้วก็ไปเชิญเทวดามาอยู่เทวดาที่ไหนจะมาอยู่กัน <c oughs> คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลาที่พ่อแม่ว่าดุเรา <c oughs> หลังจากนั้นเราเดินออกมาอยู่ที่อื่น <c oughs> แล้วทำหน้าบึ้งตึง <c oughs> แบบนี้จะถือว่าบาปไหมครับยังไม่บาปหรอกอย่าไปตอบโต้กันแล้วกันอย่าไปเถียงอย่าว่าพ่อแม่เพียงแต่ว่าใจเรามันยัง ยังควบคุมไม่ได้แต่อย่างน้อยมันไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาแต่หน้านมันบึ้งตึงด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นอกุศลแต่ยังไม่เป็นบาปเป็นกรรมก็ควรจะระงับต่อไปเวลาอยู่ต่อฟังพ่อแม่นี้ก็คอยควบคุมอารมณ์อย่าไปอยากให้เขาพูดให้เราถูกใจเราท่านนั้นมันก็เราก็จะไม่มีอารมณ์เสียเราต้องเปิดใจกว้าง พ่ไม่อยากจะพูดอะไรพูดได้ทุกอย่างยินดีฟังทุกอย่างจะชมจะด่ายินดีทั้งนั้นต้องคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีอารมณ์เสียคําถามต่อไปจากคุณสิรินรัตน์ตอนนี้ทาธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จเพราะไม่สามารถส่งเงินแบงค์ได้ตามที่เขากำหนด ก็เลยพยายามหันมาปฏิบัติปล่อยวางเพื่อที่จะทำให้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาแต่พอทำใจแล้วถึงเวลาทุกสิ้นเดือนต้องจ่ายค่านั่นค่านี่มากมายจะทำอย่างไรให้ใจเราสบายแล้วสามารถมองเห็นทางออกจากทุกในครั้งนี้ได้ก็มีอะไรก็ขายจ่ายนี่ไปให้มันหมดเจะได้สบาย เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้ตลอดเวลาขายสมบัติขายอะไรคืนคืนธนาคารไปมีหนี้สินอะไรก็ใช้ให้มันหมดที่นี้ก็ไปบวชได้ไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติได้ตลอดเวลาคำถามต่อไปจากคุณตรีชาเวลาฟังธรรมะแล้วเกิดความเครียดทั้งทั้งที่ชอบฟังแบบนี้ควรจะวางใจอย่างไรเจ้าคะ่ะ ก็อย่าฟังแล้วกันนะฟังแล้วเครียดคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามลูกชายชอบเล่นเกมมากเจ้าขาอายุสิบสี่ปีแล้วการเรียนตกต่ำมากมีเวลาว่างก็จับแต่โทรศัพท์กดเล่นเกมเคยยึดโทรศัพท์ไว้ก็ตามหาจนเจอบางครั้งก็ผิดใจโต้เถียงกับลูกชายพยายามคิดว่าตัวเขาไม่ใช่ตัวเราเพื่อปลง แต่ก็อดห่วงอนาคตของเขาไม่ได้เจ้าค่ะควรจะสอนลูกโดยเอาธทมข้อไหนสอนใจเขาให้คิดรักอนาคตของตัวเองดีเจ้าค่ะเพราะต้องเตรียมสอบเข้ามศีหาที่เรียนอีกไม่นานนี้เจ้าค่ ะ, ะก็ต้องบอกเขาว่าการศึกษาเป็นเป็นเป็นเหมือนกับใบบอกทางเป็นเหมือนกับ อพาหนะที่จะพาเราไปสู่ความสุขความสบายในอนาคตถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการนั่มเรียนเรียนไม่จบเรียนไม่สูงอนาคตก็จะแย่เพราะจะหาเงินลําบากหาเงินได้น้อยแต่ถ้าตั้งใจเรียนเรียนได้ดีเรียนได้เก่งเรียนได้สูงอนาคตจะสดใสเพราะจะหางานที่ดีได้มีไรายได้ที่ดี ก็ต้องบอกเขาตามความเป็นจริงส่วนเขาจะเอาไม่เอาอันนี้ก็เรื่องของเขาถ้าเขาจะเลือกไม่เอาเขาอยากจะเกเอย ก, ก็ปล่อยเขาไปทำยังไงได้ออมันเราไปบังคับก็ไม่ได้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธจะมีอาการเหมือนตึงขมับ ขณะบริกรรมเพราะคิดเป็นตัวหนังสือควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ลองสวดมนต์ไปก่อนนะถ้าบริกรรมแล้วมันมีปัญหาลองสวดมนตน์ไปก่อนสวดอิติปิโสร้อยจบสวดไปไดเรื่อยๆกี่จบก็ได้สวดไปจนกว่าจะรู้สึกสบายแล้วลองมาบริกรรมพุทโธต่อหรือถ้าไม่บริกรรมพุทโธดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจแทนก็ได้ คำถามที่สองอยากทราบผลของวจีกรรมและมะโนกรรมครับโดยเฉพาะมะโนกรรมถ้าคิดไปแล้วจะมีผลกรรมอย่างไรครับมโนกรรมก็จะมีผลคือความรู้สึกในใจรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์คิดดีก็สุขใจคิดไม่ดีก็ทุกข์ใจคิดกลางกลางก็ไม่สุขไม่ทุกข์ใจนี่คือมโนกรรมส่วนวจีกรรมก็คือ พูดไปแล้วก็อาจจะติดคุกติดตารางได้เห็นไหมเนี่ยคนขึ้นศาลกันเยอะๆถูกฟ้องล้องเกาฮาเขาเรียกอะไรชาสมาริสุปมารทอะไรเขาก็ไปฟ้องร้องยิ่งที่ไปยิ่งถ้าไปแตะสถาบันเบื้องสูงก็ติดคุกเห็นการพูดอะไรก่อนพูดคิดให้ดีซะก่อน ก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายมันเราสั่งมันได้สั่งให้มันพูดก็ได้ไม่สั่งแล้วมันพูดก็ได้พอเราสั่งมาเราพอเราพูดไปแล้วมันจะมันเป็นนายแล้วมันจะจับเราเข้าคุกเข้าตารางได้ถ้าเราพูดไม่ดีนคําถามต่อไปจากคุณธานิดนอกเหนือจากการนั่งสมาธิแล้ว หากต้องการฝึกให้มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันในขณะที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆควรมีวิธีการที่ถูกต้องอย่างไรหรือเราสามารถกำหนดพุดโทโธควบคู่ไปด้วยได้หรือไม่ครับได้ก็ใช้พุโทโธก็ได้หรือถ้าให้มันอยู่กับงานที่เราทำได้ไม่ไปอยู่ที่อื่นก็ให้มันคอยดูทุกขั้นตอนของการทำงานเช่นตอนรับประทานอาหารดูตั้งแต่ตอนตัด อาหารจากจานเอาใส่ปากเคี้ยวกลืนแล้วก็ตักอาหารใหม่เข้าปากใหม่เคี้ยวกลืนใหม่ให้มีสติรู้อยู่ทุกขั้นตอนของการการทำของร่างกายถ้ามันยอมอยู่ถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธเดินกลับมาคำถามต่อไปจากคุณประวีน คุณยายของผมอายุเก้าสิบสองปีชอบฟังธรรมอยู่ที่บ้านเป็นประจำตอนนี้กำลังเจ็บจากอาการยอกเอวเคลื่อนไหวลำบากมีธรรมะอะไรดีที่ให้ยายผมนำไปปฏิบัติได้บ้างครับขณะนี้ท่านก็ฟังพระอาจารย์ทางย t u b e ครับก็บอกว่าความเจ็บมันก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอนิจจังก็คือมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป มันไม่แน่นอนมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้ามันไม่ไปมันจะอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะไม่ทรมานใจพยายามอยู่เฉยๆไม่ต้องขยับมันก็จะไม่เจ็บนะพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปถ้าเวลาขยับมันเจ็บก็ยอมรับว่ามันเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายถ้ามันยังไม่หาย ถ้ามันไม่หายก็ให้มันอยู่ไปถ้ามันจะหายก็ให้มันหายไปเองไม่ต้องไปทำอะไรทำใจเฉยๆทำใจให้เป็นอุเบกขาไว้สักแต่ว่ารู้ไปคำถามจากคุณโกปองคารวาดบอกสอนพระบวชใหม่จะบาปใหม่เจ้าคะถ้าท่านยังเข้าใจธรรมะแบบผิดๆทำไมคารว่าตต้องไปสอนพระด้วยพระเขามีครูอาจารย์อยู่ คาราวาสไม่ใช่มีฐานะที่จะไปสอนพระเพราะตามตามหลักแล้วพระเป็นครูของคารวาสเห็นถ้าพระเขาบวชแล้วก็ต้องให้เขาไปเรียนจากพระจะดีกว่าเพราะเป็นคาราวาสเดี๋ยวก็สอนผิดๆสอนถูกๆสอนผิดสอนถู ก, ถกเดี๋ยวยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ให้ครูบาอาจารย์การที่มาบวชนี่คนบวชนี่แหละเขาเป็นผู้เป็นอาจารย์ เห็นถ้าต้องให้คนที่รับบวชพระนั่นะที่เรียกว่าอุปชาเนี่ยเป็นอาจารย์คอยสั่งคอยสอนพระที่บวชใหม่โอเคก็พอดีหมดเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด